ธรรมชาดกแผ่นที่8ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่ารูปะนันทาหลงกาย ต่อ น, นี้ไปตั้งใจฟังขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมให้งดการถ่ายรูปถ่ายรูปที่มีแฟลตนะแล้วก็โทรศัพท์ถ้ามีใครมีโทรศัพท์อยู่ใกล้หลวงพ่อก็ให้ปิดไว้ก่อนเพราะว่าเสียงโทรศัพท์ทุกวันเป็นเสียงที่บรบกวน แต่ถ้าหากว่าโทรศัพท์ที่ไม่มีเสียงที่สั่นสะเทือนนะแต่ขอให้เวลาจะพูดโทรศัพท์ออไปคุยข้างนอกอย่ามาคุยใกล้ๆที่หลวงพ่อแสดงธรรมอย่ามาพูดแข่งกับหลวงพอ่อเพราะตรงนี้ไม่ใช่ตรงที่พูดโทรศัพท์อย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมก็ผู้กล่าวอารัตนาอยากจะฟังธรรม เพราะนั้นหลวงพ่อเองเป็นผู้แสดงธรรมในจุดนี้เพราะนั้นพวกเราผู้ที่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้เสียงถ้าใครไม่อยากจะฟังให้ออกไปอยู่ข้างนอกเพราะที่วัดภูดินของเรามีกว้างขวางไม่ใช่มีอยู่ยที่สลาแห่งเดียวออกไปอยู่ข้างนอกก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าว่าผู้ใดต้องการฟัง ก็ตั้งใจฟังเดี๋ยหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนานทีพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้ถึงจะเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลงานครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูที่ก่อนั่นแหละให้เราพวกเราถือโอกาสถึงอย่างไงพวกเราจะได้ยินได้ฟัง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 ได้ยินเสียงฟังอัดฟังธรรมฟังหลักเหตุผลเหตุผลคือความถูกต้องจิตใจของพวกเราจะได้รับความสงบได้รับความผา่องใสอันนี้ก็คืออันในสูงแห่งการฟังธรรมแล้วก็สุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพวกเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรนี่ว่าสุดตามยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุผลมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนี้บอกจินตามะยะปัญญาภาวนามยะปัญญาภาวนาคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งซะก่อน กิจเทศผ่านความสงบและความนิ่งมาแล้วนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้เรียกว่าภาวนามายะปัญญาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่มาในวันนี้ให้ตั้งใจฟังอย่างที่หลวงพ่อในพูดดนกล่าวพอตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าเรื่องนะนทีนี่นะ นะโมตัสสะปะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวาตสังขาราอุปาวะยธรรมิโน โอปชจิตวาธิรชันติขยะวยะธรรมาสังคาราอปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันบำเพ็ญกุศลถึงหลวงปู่ภูลของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสังเวช ทนิยกถาคือก่าวความสลดสังเวทใจที่พวกเราได้มาพบมาเจอไม่คาดคิดเลยว่าจะมีวันนี้เพราะว่าท่านก็มีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินไปที่ไหนได้ไม่คาดคิดว่าหลวงปู่ของเราหลวงปู่คูณของเราจะได้ไปแบบปุบปับ อ, อย่างวันนี้ แต่ว่าถ้าหากว่าถ้าเราเรียงลำดับดูก็หลงปูพูนของเราก็มีอาการอย่างนี้อยู่สองสามครั้งแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจกท่านจะไปเร็วถึงขนาดนี้แต่นี้ไม่ว่าท่านผู้ใดไม่ว่าท่านว่าเราพระพุทธเจ้าท่านเทศบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ว่าตัวเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงว่าไม่มีอะไรอย่างนี้แปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าหาว่าทุกคนให้คิดไปอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่หลวงปู่ภูลเป็นตัวอย่างท่านก็ได้จากไปการจากไปของท่านในคราวนี้ในครั้งนี้ ของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่แพ้กันอีกสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ดังคนโบราณเขาบอกว่าข่าวนี้ตาข้าข่าวหน้าตาเองคือพวกเราทุกทุกท่านที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้ซึ่งมรณะภัย คือความตายแต่ถึงยังไงในหลักของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาวันตัศรุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิยานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านเป็นนั่งสมาธิทําให้ใจหรฤๅษีไทยของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งจากนั้นพรนะองค์เกิดญาณรัตนเกิดฌาน รำลึกชาติผลหลังได้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญถ้าหาว่าตายแล้วสูญจะล้ำลึกชาติไปได้แต่นี้เพระอุตพระพุทธเจ้าละลึกชาติผลหลังได้เยภาวาปุกเพในวาสานุสติญาณอันนี้เป็นหลักยืนยันในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกทุกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาท พวกเราจะต้องในเดินทางข้ามภพข้ามชาติแน่นอนอย่างที่หลวงปู่คูณของพวกเราท่านในเดินทางข้ามภพข้ามชาติแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจในหลวงปู่ของเราเพราะว่าท่านเป็นพระเสระผู้ใหญ่และท่านก็ได้แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าและก็พร้อมกันท่านเองเมื่อท่านแนะนําสั่งสอนคนอื่นท่านก็ต้องสอน ของท่านก่อนท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการเป็นอยู่ของท่านพวกเราก็หวังได้ว่าท่านจะต้องไปสู่ความสุขความเจริญหรือความสุขของท่านแต่เราก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เพราะว่าเรื่องอัดเรื่องธรรมเหล่านี้ถ้าหากว่าเราพูดผิดถูก ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีแต่ท่านอาจจะจ ต, ตินิรพนันเพราะท่านบาเพ็ญมานานถึงขนาดนี้แต่ถึงยังไงมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่พวกเราจะเดินทางข้ามพบข้ามชาติอย่างพวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศอย่างเนี้ยพวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศถ้าหากว่าท่านผู้ใดไปแบบปุก ป, ปั่ไปแบบ ที่ว่าไม่ได้เตรียมพร้อมพวกผู้นั้นอาจจะมีคารขาดตกบกพร่องในเครื่องของใช้ข อ, องตอนเองแต่ถ้าว่าผู้ใดก่อนที่จะไปเตรียมพร้อมคิดแล้วคิดอีกอไปนี้ประเทศนั้นเป็นยังไงมีเสื้อกันหนาวไหมมีเสื้อกันฝนไหมมีรองเท้าเพียงพอไหมรองเท้าของเราดีไหมเสื้อผ้ากางเกงของเรานี่ไหม พีมีเพียงพอไหมอยากนั้นกัเงินในธนาคารของเรามีเท่าไหร่ก็เราไปถึงประเทศนั้นเรากดบัตร a t m ของเราเรามีเงินในธนาคารเพียงพอไหมหรืออยู่ยาแก้โรคภัไข้เจ็บของเรามีพอไหมร่มของเรามีไหมเวลาฝนตกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถ้าหากวพวกเราได้คิดก่อนเดินทาง เตรียมพร้อมในก่อนการก่อนการเดินทางพวกเราจะเดินไปไปประเทศไหนๆถ้าไปหลายวันเราก็เตรียมพร้อมให้เพียงพอสำหรับของใช้ของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับการที่จะข้ามภบข้ามชาติของพวกเราในลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ถ้าว่าผู้ใดไม่ได้คิดคิดว่าตายแล้วศูนแต่ถ้ามันไม่ศูนยละ่ะ ถ้าเราคิดขึ้นมาได้ว่าเราคิดว่ามันจะศูนย์แต่มันไม่ศูนย์หรอกเพราะในความคิดของเราเราเชื่อถือได้ไหมว่าเราคิดอะไรถูกต้องทุกอย่างที่เราคิดมาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราคิดอะไรถูกหมดทุกอย่างคำนวณออกมาแล้วถูกทุกอย่างไม่ผีไม่มีผิดพลาดพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันถ้าว่าพวกเราคิดถูกถึงขนาดนั้นนะพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันคงจะไม่มีใคร จนยึดอย่างนี้หรอกคงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือหัวแจ็คพอตกันเอรวยเป็นอนเนกอนันต์ไปทั้งหมดอันนี้ที่เรามันคิดแล้วมันผิดซื้ออะไรก็ผิดเอคนเพ้อเจะอเจ๊งเอาอะไรง่ายๆเพราะเหตุอะไรเพราะมันคิดเข้าไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตายแล้วศูนย์แต่พอทำคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่ศูนย์ ตายแล้วเกิดอีกนี่แหละหลวงพ่อเองย้าอยู่เสมอว่าถ้าหาว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์พวกเราจะอ่อนอกอ่อนใจจะทำความดีไปเพื่ออรัรอย่างเราคิดว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีอย่างนี้แหละอ่าพรุ่งนี้ไม่มีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเตรียมเงินไม่ต้องหาทรัพย์เพื่อไว้วันสำหรับวันพรุ่งนี้ก็เห็นและเพราะมันไม่มีแต่ถ้าว่าวันพรุ่งนี้มี เราไม่ได้เตรียมทรัพย์เอาไว้ไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ไม่ได้เตรียมสิ่งของเอาไว้ถึงวันพรุ่งนี้มีขึ้นมาแล้วสมบัติของเราไม่มีเราจะอยู่กินอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือหลักคำคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรานาคาตมันมีเรียกว่าปุเพเนวาส า, านุสติญาลลึกชาต์หดหลังได้ พอเราตายไปแล้วมันไม่สุดตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้กันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้สังวนล็กศีลด้วยว่าวิธีพิสูจนนั้นทําอย่างไรพิสูจนที่วัดตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูดนั้นว่าตายแล้วเกิดนั้นทาอย่างไรพระพุทธองค์ก็ ท่านก็ได้บอกท่านตรัสไว้ว่าต้องนั่งสมาธิต้องทําสมาธิคําสมาธิเนี่ยทำอย่างไรเพราะพระพองค์บอกว่าเรานั่งสมาธิอยู่ที่โคลนต้นโพวันเดือนบกเพนเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอปูอาชนะคือหญ้าคาที่นายโสธิยะนํามาถวายนํามามอบให้แปดกำมือเราได้เอาอยาา่าคา เกลี่ยลงไปทางทิศ ต, ตะวันออกของต้นโพจากนั้นเราได้ขึ้นนั่งบนอาสนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตายและเกิดได้ตายแ ล, ว, ยแลวสุขเมื่อเรานั่งสมาธิในช่วงนั้น พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัดจดดกจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเกิดยาณรัตนะเกิดฌานเราลำเลึกชาติผลหลังได้เนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกแน่แนวว่านี่แหละคือวิธีพิสูจน์จากนั้นพวกเราท่านท่านหลายอย่างองคหลวงปู่มั่นที่ท่านสั่งสอนพวกพวกเราท่านว่าให้นั่งสมาธิ ให้บริกรรมหายใจเข้าพุหายใจออกโถอันนี้คือหลวงปู่มั่นที่สั้นแนะนําสั่งสอนพวกเราในยคปัจจุบันอย่างนั่งขัดตมาที่เหมือนกันขาขวาทับขาซ้า ย, ยาเหมือนเราจะนั่งที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นั่งที่โหนต้นโพอย่างพระพุทธเจ้านะ่นสินั่งอยู่ในห้องนอนก็นันได้นั่งอยู่ที่ศาลาก็ได้สรุปแล้วอยูในที่สงบสงัดแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนทุกศิษย์ลูกหาของท่าน ท่านให้สบแสวงหาที่สงบสงัดอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าโรงคงไพ่อยู่ในเงื่อมผาอยู่ในถ้ำนี่แหละอย่างหลวงปู่ ม, มั่นของพวกเราท่านมาอยู่ที่บ้านหนองกองหรือบ้านฟ้อนาลายอย่างเนี้ยที่เป็นวัดป่าสมัยเก่าแก่ถึกดาบัดสมัยแปดสิบเก้าสิบปีให้หลังจากนั้นท่านจึงไปที่น้ําตกยุงทองอีกต่างหากบ้านนาหมีนาหยุงสมัยนั้น หลงปูม่านท่านไปทุกหัวและแห่งถ้าจะว่าไปแล้วเพราะนั้นท่านไปเพื่ออะไรท่านไปนั่งภาวนาอย่างที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิทธาอนุสิ์ของท่านใดเมื่อท่านไปอยู่นักสถานที่ใดท่านก็ไปนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าท่านจะไปอยู่ในสถานที่กลัว ที่มีเสือที่มีสัตว์ทึกด้วาที่มีผีที่ผีดุอ่าชาวบ้านก็บอกว่าตรงไหนผีดูอ่าท่านจะไปภาวนาที่ตรงนั้นอ่ะคือทำให้ทาให้จิตใจของท่านไม่คิดออกไปข้างนอกเพราะว่ามันมีอันตรายรอบด้านใจของท่านจะสะเข้าสู่ความสงบท่านจะให้อยู่กรรมฐานไหนใจของท่านจะอยู่ในกรรมฐานนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าไม่เชื่อให้ทดลองดูสิ ให้พวกเราไปอยู่ในสถานที่กลัวๆอย่างๆป่ายชาย้าเนี่ยไปอยู่คนเดียวนะเอาเถอะกั้นใจไปเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดเพราะตายแล้วศูนย์เนี่ยอแล้วจะไปกลัวทําไมเเพราะมันตายแล้วศูนย์จะไปกลัวทําไมไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่มีอะไรเอาไปเถอะแต่ส่วนลึกๆแล้วมันกลัวนะ่ะแต่เมื่อเราไปนั่งสมาธิอยู่ในป่ายชา้าอย่างนี้นะ่ะความกลัวมันมี ถ้ากลัวความกลัวมันมีมันจะไม่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกนะทีนเราว่าบอกว่าถ้าอยากจะให้ถ้ามันกลัวขึ้นมาให้อยู่กับกรรมฐานพุทโธนะนี่เราพวกเราก็จะอยู่ในพุทโธเพราะมันกลัวมันกลัวมันกลัวผีจะมาหลอกมาผีมาจะหักคอกลัวผีจะมาทําร้ายทำร้ายเราเราก็อยู่กับพุทโธเ่ยกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใจของเราจะไม่ส่งออกไปข้างนอกเพราะมันอยู่กับตัวเอง น่าแหละใช่ไหมพ่อแม่จูกับพุทโธเนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำว่าให้ไปอยู่ในที่สถานที่กลัวๆจึงภาวนาในเมื่อเราไปอยู่สถานที่กลัวแล้วเราพุทโธพุทโธพุทโธใจเพราะเรากลรวสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งในเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใคร ไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามครูบาอาจารย์ไม่ต้องถามใครทั้งหมดเพราะจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ย เ, เหมือนกับโซเฟอรรถร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่ใจของเราเหมือนกับโซเฟอร์รถแย้กันได้ชัดถึงขนาดนั้นละ่ะเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยากจะพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญให้นั่งภาวนา เมื่อนั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตวนเองว่าร่างกายของเราเหมือนกับรถจิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถแต่อาศัยกันอยู่คนขับรถกับรถนั่นแหละรถต้องแตกตายสลายเดี๋ยวนี้หลงพ่อคูณปู่คูณของพวกเราท่านทิ้งรถเดี๋ยวเนี่ยเอแต่ใจของท่านคือดวงวิญญาณของท่านออกจากร่างไปแล้วเพราะเหตุไร พรรถมันลู ก, ลกสูบมันติดเอ้คล้ายๆกับเลือดไปเลี้ยงหัวใจหมดมันขาดเลือดมันหยุดไข่เออย่ายังไงมันก็ไม่ไปไม่มาเพราะเหตุไรเพราะรถมันเสียหายอย่างมากทีนี้โซเฟอร์ก็ต้องออกจากรถเอออกจากรถคันนี้แหละ อ, ออกจากรถไปที่อื่นแล่ละทินเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะออกก่อนที่พวกเราจะออกจากรถคันนี้นะ่ะเราได้เตรียมพร้อมหรื อ, อยัง สเสบียงที่จะเดินทางของเราพร้อมหรื อ, อยังเราคิดว่ารถคันนี้จะต้องเสียอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเตรียมเงินที่จะซื้อรถคันใหม่มีพร้อมหรื อ, อยังนี่แหละอันนี้ก็คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะทีนเพอเหตุไรเพราะว่าเราออกจากร่างนี้แล้วเราจะไปสู่ในร่างอื่นต่อไปถ้าว่าพวกเราไม่มีทุนไม่มีเงินออกจากร่างนี้แล้วคนนั้นะ อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ตกนรกหมกไม่เป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรเป็นมากมายหลายๆอย่างในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นมนุษย์ตลอดไปไม่ใช่นะเออเหมือนกับโนคนเราเนี่ยนะแตะก่อนเป็นเศรษฐีก็จริงยุแต่มันเจ้งขึ้นมาแล้วจะเป็นชื่อว่าเศรษฐีได้อย่างไรก็ต้องชื่อว่าทุกขตะเป็นคนขอทานต่อไปเพราะเราเป็นคนจนแล้ว นี้ก็เหมือนกันแต่เมื่อเรา ม, มาพบมาเจอพระพุทธศาสนามาพบมาเจอธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเจอมาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาก็ขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ถ้าว่าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทแล้วนั่นหละชีวิตของพวกเราจะมืดบอด วิญญาณของพวกเราใจของพวกเราไม่มีใครจะทำนายทายทักได้ว่าจะไปเกิดนักสถานที่ใดตกไปนักสถานที่ใดเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพร้อมกันก็เนี่ยให้ทานก็ใช่เป็นบุญเป็นกุศลรักษาศีลก็ใช่เป็นบุญเป็นกุศล ชาวรบิดามารดาคูประชาอาจารย์ไวยวุฒิคุณวุฒิล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นอย่างพวกเรามาบําเพ็ญในวันนี้ที่ได้ทราบข่าวลหลายท่านมีทั้งสพปเขตจีมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรมีทั้งมากมายหลายๆอย่างจนไม่สามารถที่จะบรรยายได้ในวันนี้ทั้งสิบกว่าเกือบยี่สคณะที่มาร่วม บำเพ็ญสวดอภิธรรมถวายหลวงปู่คูนในวันนี้แต่ถึงยังไงถึงจะไม่ระบุหรือไม่ระบุก็ตามถ้าว่าผู้ใดทำํำคุณงามความดีเขาลงไปแล้วบุญกุศลก็จะไหลทะลักเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายแบ่งสรรปันส่วนกันถ้าว่าผู้ใดทํำมากเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของท่านผู้นั้นเหมือนกับพวกเราทํามาค้าขาย แล้วไปทำงานในห้างสรรพสินค้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราไปทำงานในห้างสรรพสินค้าเออแต่ผ อ, อผู้อำนวยการหรือพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ไปทำงานอยู่ห้างสรรพสินค้าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าการทำงานแต่ละคนนั้นแตก ต, ต่างกันนี้ก็เหมือนกันพวกเรามาทำบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ ถึงจะระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อก็าตามนะบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะเจตนาของเรามีความเชื่อมั่นเป็นความตั้งใจแต่ถ้าว่าผู้ใดทําไปสับแต่ว่าทํำความเชื่อไม่มีอยู่ในจิตใจยังไม่เชื่อมั่นว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญอีกต่างหากไม่เชื่อบาบา บ, บุญกุลโทษมีนรกสวรรค์มีตายแล้วสูญอีกอันนี้ถ้าคำว่าพวกเราคิดเพียงแต่ว่า เราทำตามโลกสมมติเขาถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ได้ใส่ใจเพราะเราเป็นในฐานะอย่างนี้พวกเราจำเป็นจะต้องทำถ้าเราทำด้วยความไม่เชื่อด้วยไม่มีศรัทธาบนกุศลก็ก็ได้อยู่แต่ไม่มากเพราะอะไรเพราะความไม่เชื่อในจิตในใจของเรามีแต่าว่าผู้ใดถึงจะทำน้อยแต่ว่าจิตใจของเรามีความมุงมันมีความบูชาพราะคุณ ของลงปู่ปูณของพวกเราบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายแบ่งสันปันส่วนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้มาบอมเพนหรือบอมเพ็นณสถานที่ใดก็ตามบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราสรุปแล้วก็คือใจของเรานั้นเป็นคลังเป็นคลังของบุญและเป็นคลังของบาปถ้าเราทํากรรมชั่วความชั่วความชั่วจะเข้าสู่จิตใจของพวกเรา ถ้าพวกเราทําความดีกรรมดีกรรมดีหรือบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใจของเราเป็นทั้งคลังของความชั่วทั้งคลังของความดีเพราะฉะนั้นให้พวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ทํามีหลายระดับที่พวกเราประพฤติปฏิบัติมีทั้งทานมีทั้งศีลและก็มีทั้งภาวนาด้วย แต่การที่พวกเราเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีครูบาอาจารย์ท่านคงจะอธิบายมมากมายลหลายอย่างแต่เรื่องภาวนาก็ท่านก็คงจะอธิบายเหมือนกันแต่ถึงยังไงการภาวนานี่มันมีมากหลากหลายแต่ละองค์แต่ท่านจะได้ยังไงสมบัติของท่านที่จะได้มาอย่างพวกหนึ่งไปทำนาพิธีทำนาทำยังไงอธิบายเรื่องทำนาก็ได้ข้าวแล้วก็ขายข้าวก็ได้เงิน พวกหนึ่งไปกียรติยางอธิบายเรื่องสวนยางทำยางจากนั้นก็ขายยางก็ได้เงินหขายขายมันสำปะหลังก็ได้เงินขายข้าวโพดก็ได้เงินขายบัวขายควายก็ได้เงินอ่อทำราชการงานเมืองแต่ละอย่างได้เงินทั้งนั้นแต่ที่นี้การได้เงินของแต่ละคนมีมากหลากหลาย วิธีการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมาแสดงธรรมณ์ศาลาแห่งนี้ท่านก็คงจะอธิบายเรื่องวิธีการปฏิบัติของท่านที่ได้รับผลอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติของท่านก็มีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่บัดนี้หลวงพ่อจะได้แนะนําของแนวของหลวงพ่อให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอีกทางหนึ่ง เพราะหลวงพ่อเองชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธ ศ, ศาสนาแต่จะอายุสิบดปีนะการณศรัทธาญ า, าติโยมบวชเป็นในสัมมาเนณปีสองพันห้าร้อแล้วก็เป็นเนนอยู่แปดปีแล้วก็จักนันก็เป็นพระปีศูนย์ดมาถึงบัดนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานทีเดียว แต่มาดึกย้อนหลังดูที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างนี้หลวงพ่อภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่าเราไม่ได้ทํากรรมสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเสียหายเราได้ทําแต่สร้างแต่คุณงามความดีได้อยู่กับหลวงปู่จานในสมัยเป็นเด็กก็อยู่กับหลวงปู่ล่าท่านก็เข้มงวดปวดขันเรื่องหลักธรรมพีนยัยจากนั้นมาอยู่กับหลวงปู่จานหลวงอาท่านก็เน้นหนักเรื่องหลักธรรมพินยัยจากนั้นไปอยู่กับหลวงปู่แหวน ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านไม่ค่อยพูดแต่ท่านทําให้ดูอันนั้นก็เป็นพระที่มหาเถระผู้ใหญ่ที่หาดูได้ยากจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงปู่จามอีกครอบสองเอ่ออีกหนึ่งปีจากนั้นกับพรรษาที่ห้าก็มาอยู่ที่วัดหลวงปู่บ้านตากตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสองจนถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบห้ายังได้ออกจากวัดป่าบ้านตากไปอยู่ที่วัดป่านาคําน้อย เป็นเวลาสิบสี่ปีอยู่กับองค์หลวงตางอย่างต่อเนื่องไม่มีการเว้นวักในการจำพรรษานี่แหละชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อที่ได้ฝากฝังในพระพุทธศาสนาเ mm. พราะนั้นจึงได้ศึกษาแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและมีประสบะการณ์ด้วยตนเองแล้วก็ได้ศึกษาคนคว้ามีมาก หลากหลายในแนวความคิดจากนั้นหลวงพ่อเองจึงได้นำแนวความคิดหรือปฏิปทาหรือแนวที่ได้พบมาเห็นมาประสบการณ์มามาบอกกล่าวให้คณะสัทธ า, ญญาติโยมให้ได้ฟัง เ, เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแนวแถวของสายหลวงปู่มั่น เ, เราจะยกครูของเราสก่อน ถ้ายกภพกุฏิเจ้าคือบอรงมครัคคุลที่ได้ยกไปแล้วว่าท่านนั่งสมาธิอย่างไรที่โคลนต้นโพแต่หลวงปู่มั่นสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือต้นตระกูลของพวกเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ยกหลวงปู่มั่นไปเหยียบย่าทําลายครูบาอาจารย์สายอื่นไม่ใช่แต่นี่คือมีหลายๆลยอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นว่าคนหนึ่งทําไร่คนหนึ่งทํานาตนทํารั้วทำสวนขราชการงานเมือง แต่หลวงพ่อว่าให้เลือกสายหลวงปู่มั่นด้วยซพวกเราในฐานะสิทธิญาณุสิทธิ์ทั้งหลายให้เลือกวิธีการที่หลวงพ่อได้ศึกษามาหลวงพ่อมั่นใจว่าแนวแถวของหลวงปู่มั่นพาดําเนินเนี่ยท่านให้อสอนจิตญาณุสิทธิของท่านท่านบอกว่าให้นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านท่านเอากรรมฐานสองอย่างเข้ามาพนวกกันคือกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกคือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายสติปัญญาจัตคาหรือสติของเรามันคอนแขนมันน้อยมันหลุดด้งา่าเพราะนั้นให้พวกเราบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพด หายใจออกบริกรรมโทหรืออนุสติที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้นะอนุสติ10พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจักจานุสติเทวตานุสติอาณาปานสติมรณะนุสติอุปสมานุสติอนุสติสิบของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้แต่หลวงปู่มั่นออกมาใช้สองอย่างบวกผนวกกันคือพุทธานุสติกับอาณาปานุสติสองอย่าง นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะัททายญาติโยมทั้งหลายฟังฟังแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนที่ท่านบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาของท่านคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ได้นำทำสอนหลวงปู่มั่นมาบอกกล่าวมาเป็นทอดทอดจนมาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็แนะ น, นาได้ฟังทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา แล้วก็มาบอกกล่าวต่อให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสีแจงให้ในรายละเอียดให้พวกเราได้ศึกษ า, าการนั่งพอนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงวริกรรมหายลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือครูมันท่านสอนลูกศิษย์เพระาะฉะนั้นขอให้พวกเรายึดตามแนวแถวนี้ทดลองดูซิ ถ้าว่าภาวนาดูแล้วไม่ได้รับผลมันยังออกเล็ดลอดออกไปมันออกเพราะอะไรให้บริกรรมท่านบอกว่าถ้ามันออกไปให้บริกรรมทีทีบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจของเราเนี่ยให้บนพุทโธอยู่ตลอดแต่จะไม่ออกเสียงให้ยูให้ให้ใจของเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเ อ, อ่ด้ว ด, ด้การนั่ง น, น้นั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ในที่สงบสงัดเออไม่ใช่ว่าคนเพ่นพ่านวุ่นวายแล้วไปนั่ง อย่างนั้นก็ได้อย่างมานั่งมาลำลึกถึงหลวงปู่คูณของพวกเรา เ, เรามานั่งอยู่ที่ศาลาต่างคนก็ต่างนั่งลำลึกถึงพวกคุณของหลวงปู่วันกรรมพุธโธพุธโธลำลึกถึงบุญคุณหรือว่ามรณะนุสติที่หลวงปู่ของเราได้พบได้เจอได้เห็นพวกเราก็จะต้องได้พบได้เจอเหมือนกับท่านนี่แหละอันนี้ก็น้อมจิตของเราให้ถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายที่จะมาสู่ตนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราจะมานั่ง อยู่ในบริเวณนี้ก็ได้แต่ถ้าว่าเรานั่งอยู่ที่บ้านของเราอยู่ในห้องพระที่ในที่สงบสงัดดับวิทยุ โ, โทรทัศน์ดับโทรศัพท์ให้ทุกอย่างอย่าให้มีเสียงอะไรรบกวนในขณะที่นั่งสมาธิปิดไว้ก่อนคงจะไม่รวยประเดียวประเดาวในขณะที่นั่งสมาธิมันจะรวยคงจะรวยมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปในช่วงที่นั่งสมาธิ อ, อย่าไปสนใจ เราสนใจใจของเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์จะดีกว่าให้รู้ใจของตนเองในขณะที่นั่งสมาธิจากนั้นเราก็นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าพุทพุโทโธพุทโทพุทธโธถ้ามันใจมันหลุดออกไปแต่หลวงพ่อเองก็เคยแนะนําศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานอันนี้เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อแนะนําคิดว่าไม่ผิดเพราะเหตุไรเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าวางไว้ทั้งสี่สิบอย่าง อันนี้เราจะนํามาประยุกต์ใช้กับผู้คนขันษัทาญาตโยนทดลองดูซิไม่น่าจะผิดเพราะว่าเรากระยึดให้มีสติสัมปชัญญะเหมือนกันหลวงพ่อบอกให้นับให้นับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกหายใจเข้าเอนับไปเรื่อยๆจนถึงร้อยถึงร้อยแล้วกับถ้ามันไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมกลับมานับหนึ่งอีกจากนั้นจะค่อย หายใจเข้าพุทธหายใจออกโถรต่อถ้ามันจะบเถอมันจะเป็นยังไงมันเห็นได้ชัดนะคณะจต่ายญาติโยมทุกท่านนะเวลาหายใจเข้าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านี่เป็นเลขขีหายใจออกเป็นเลขคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดจนถึงร้อยถ้ามันจะบเถอมันจะเบอร์เบอร์พอเบอร์เสร็จแล้วมันจะหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขีนั่นแหละมันสลับกันแล้ว อันนั้นแปลว่าสติของเราขาดแล้วในช่วงนั้นกลับมานับใหม่อีกนี่แหละวิธีการพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าใจของเรามันลนเลขนาดไหนมันขาดสติได้เร็วขนาดไหนหรือมีสติดีถ้าว่าเรานับถึงร้อยไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมแปลว่าสติของเราเดีเพราะนั้นสติของเราดีดีหนึ่งดีสองดีสาม ต่อไปจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบละเสรีเราปล่อยแต่เราไม่ต้องนับเลยหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโพพุทโพพุทโถนี่แหละใจของเราจะรวมนะเสจะเข้ารวมซบเข้าสู่ความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ว่าปุกเพได้ว่าลนะสารนิจติยานจิตรวมสงบระ ล, ลึกชาติทุนหลังได้แต่นี่พวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงหลวงปู่มันท่านบอกว่ า, วา เวลาจิตสงบแล้วอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกนะเนอะอ่ออั น, นั้นไมค่ายท้าบอกเป็นพุทธะอันนี้เป็นเราเป็นสาวกะเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนำจิตใจที่รวมสงบนั้นนะนำมาพิจารณากรรมฐานกรรมฐานห้าคือเกษาโลมาณขาทันตาตะโจเกษาผมโลมาขนกขาเล็ททันตาฟันตะโจนังให้ถึงหนังแลวกรจกเพราะว่า หนังนีนเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับมนุษย์ที่มีกิเลสราคะโทสะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสราคะหนังใ่เป็นเรื่องใหญ่มากหนังหุ้มหัวร่างกายมันหลงแต่ตามไม่จริงหนังอันเนี้ยมันบางๆไม่ไม่หนาเท่ากระดาษอีกต่างหากเพราะว่ามีอะไรทิมทิมเข้าไปแล้ว เ, เลือดออกหมดถ้าถลกหนังเข้าไปแล้วจะหาความสวยงามได้อย่างไรหาจังความความสวยงามได้ที่ไหน นี่แหละมันหลงหนังเพราะฉนั้นท่านจึงว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจแปลว่านหนังนี่มีหนังเป็นที่ห้าเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาเกสาผงโลมาขนนะขาเลตันตาปันตะโจหนังร่างกายของเราเนี่มีหนังพุ่มอยู่โดยรอบถ้าวัดถลกหนังออกเราดูกันไม่ได้เอเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันเป็นอสุภะปฏิกรลณร่างกายของเรานี่แหละ ในคำว่ามันหลงหนังคํานี้น่ะอในครั้งพระพุทธเจ้าของเราหลวงพ่อจะเปรียบเทียบเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องภาษาวกให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงสาวัรถีอแต่นี้ท่านปาราบถึงนางอนางรูปนันธาเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดว่านางรูปนันธา ่นางชนณีกัลยาณีอะไรชนรัปทานอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็จำไม่ไม่ชัดตัวนี้พระหลวงพ่อเรียกกันว่านางรูปนันธา น, นางรูปนันธา น, นี่เป็นนางเป็นลูกของนางโคตมีโคตมีเป็นแม่นาของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อประสูติเมื่อพระเจ้าสุธโธธนะได้อภิเสกสมรสกับนางสิริมหามายา คือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าประสูติได้เจ็ดวันประสูติได้เจวันนางชริมหามายาพระมารดาของ พ, พุทองค์ได้สวรรคตจากนั้นพระเจ้าจุธโทธนะก็ได้แต่งงานกับน้องสาวภรรยาคือนางโคตมีจากนั้นก็นางโคตมีก็มาดูแลจิททัตทะคือพระพุทธเจ้าของเรารักยิ่งกว่ารูป กว่าลูกอีกจากนั้นนางโพตมีก็ได้ลูกสองคนคือนันทะผู้ชายรูปนันธาคือผู้หญิงลูกสองคนแต่สรุปแล้วก็คือเป็นน้องของพระพุทธเจ้าน้องต่างมารดาแต่นั้นพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จออกไปทรงผนวดอย่างทีว่าจากนั้นพระเจ้าจุดโธธนะพระนันทะรูปนันธาก็เป็นเด็กขึ้นมาต่อมาก็เป็นหนุ่ม ต่อมาก็จะแต่งงานสืบสันติวงศ์ครองกรุงกรุงกบิลพัท ต, ต่อไปแต่ทีนี้ยังไม่ถึงครั้งนั้นเพระพุทธองค์เขาเพศพนันทะกุ ม, มารก็ได้บวช ต, ต, ต่อมาพระเจ้าจุโถธนคพระบิดาก็สวรรคตต่อมาพระุทธองค์ก็ได้โปรดพระราหุนในชงที่ปวดพระราหุนคือบุตรพระพุทธเจ้าพระราหุน พระเจ้าจุโทธนาพระบิดายัางทรงพระชนอยู่ที่แรกบวชนันทกุ ม, มารก่อนคือน้องชายก่อนต่อมาก็บวชราหุ่นเมื่อบวชพระนันทกุ ม, มารพระเจ้าจุโทธนะก็รู้สึกเสียใจในระดับหนึ่งเสียใจอย่างมากแต่ก็มีความตั้งใจอยู่ว่าถึงยังไงก็ยังมีลาหุ่นหลานลูกของสิทธัตถะหรือลูกของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อายุเจ็ดขวบ แต่นันทะไปบวชแล้วแต่ก็ยังตั้งความหวังไว้หลานจังจะของราชสมบัติต่อไปทอต่อมานางพิมพายโสธราที่เป็นพระมารดาของพระโหทือเป็นอัคคมาเหสีของสิทธัตถะท่านก็เห็นว่าสมัยเมื่อสิทธัตถะเป็นพระเจ้าแผ่นดินขุมทรัพย์เกิดขึ้นมาสีม่มุมเมืองสีม่มุมของประเทศ ทีนี้พอศีธถะออกไปบวชขุมทรัพย์ท่องหลายหายอันตรธานหายไปไม่รู้หายไปไหนทีนี้ถ้านางพิมพาแยโสธราก็บอกกับลูกชายพระราหุลว่าเ้ลูกเธอลูกจะได้คองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไปถามขอพระบิดาของลูกเซเนยละองค์สมณะที่องค์สู ง, สง ที่เป็นผู้นำหมู่คณะนั่นแหละให้ไปถามว่าผมขอสมบัติที่พระบิดาสมัยครองราช ย, ยที่สมบัติเกิดในสี่มุมเมืองแต่บัดนี้หายไปไหนขอผมจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราชก็ขอให้บิดาประทานให้ผมด้วยเถิดแม่แนะนำนางพิมพาแนะนำลูกชายแต่นี้พระเลาหุงนอายุเจ็ปีก็เห็น พระพุทธเจ้าเป็นผู้นําคณะสงฆ์เข้ามาฉันในเวียงวงังพระลาหุนก็นเดินต่อยตามเลยเไปก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเออเออเออไปตามทางเลยพอไปถึงวัดป่ า, าที่พักที่ประทับพระพุทธเจ้าแล้วีนสอวัดป่าที่กุงกระเบนละพัดท่านก็บอกว่าลาหุน เธออย่าเอาเธอนะโลกิยาทรัพย์เอาโลกุตตะทรัพย์จะดีกว่านะลูกนะโลกิยาทรัพย์มันเสื่อมเป็นมันเอาไปด้วยไม่ได้บาแบมือตายหมดทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเพราะนั้นเอาโลกุตตะทรัพย์อันทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐคือพระอริยะคือพระอรหันจะดีกว่านะลูกนะลูกจะเอาโลกิยะหรือเราเอาโลกุตตะ พระลาหุนก็บอกว่าพระบิดาบอกว่าอันไหนดีกับผมก็เอาวันนั้นนะครับผมเออเอาถ้างั้นก็บวชเอาสารีบตรบวชพระสารีบวรก็เลยบวชให้พระราหุูถือเป็นบตรของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระเจ้าสุติโทชนะเสียใจอย่างมากพระบิดานะเพราะว่าโอ้เราก็ตั้งความหวังว่าในเมื่อ น, นันทะบวชแล้วก็ยังลาหุูก็ยังอยู่แต่บัดนี้ลาหุูบวชเจแล้ว โงด์เจนีคงจะเป็นทายาทก็คงจะพระเจ้าเป็นเองก็คงจะตกเป็นลูกของน้องๆนะเจนีเนี่ยที่รักษาราชบัลลังก์ต่อไปเนทีนี้พระพุทธเจ้าก็เมื่อพระองค์เข้าไปฉันในเวียงวังพระเจ้าจุดโทธนะก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าหมองฉันได้เป็นพระอริยะบุคคลคือเป็นพระโสดาบันแต่ขนาดนี้ก็ยังเสียอกเสียใจกับหลาน ที่บวชในคราวนี้เพราะว่าหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้หลานเป็นผู้คลองราชสมบัติแต่บัตรนี้หลานได้บวชเสแล้วบวชในพุทธศาสนาเสร็จแล้วทําให้ตระกูลหมดขาดจะวับบ่นลงไปแล้วคงจะเป็นพวกน้องๆจะเป็นรักษา ร, ราช บ, บัลลังก์ต่อไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะั้นลูกนะข้าจะให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังเข้ามาบวช ขอให้ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเขาก่อนพระเจ้าค่ะกระผมขอพรจากพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าเออให้พรพระบิดาออบอกว่าตอนนี้ต่อไปคุณบุตรสุดท้ายภายหลังจะเข้ามาบวชเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาเสียก่อนจึงให้บวชได้ถ้าไม่พ่อแม่เขาไม่ให้บวชห้ามบวชถ้าบวชแล้วก็เป็นอาบัตเนี่ยตก เป็นโทษกับพระภิกษุผู้ให้ให้บวชนั้นเพราะนั้นท่านจึงบอกว่า เ, เวลาพระเข้ามาบวชในพระศาสนาท่านจึงถามว่าอนุญยาตโตซิมาตาปิโตหิเจ้าได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือยังอามะพันเตครับผมผมได้รับอนุญาตแล้วนี่แหละคือความเป็นมาหลักธรรมํำสอนของพระพุทธเจ้า อยงนั้นเมื่อท่านบวชแล้วท่านใอพระราหุนก็บวชนางโคตมีก็บวชใครก็บวชที่เป็นญาติท่นใดนางยังเหลือแต่นางรูปนานทานที่อยู่ได้อย่างไงท่านใดพระพี่นางก็บวชนางพิมพายโสราก็บวชเป็นบวชเป็นภิกษุณีอแม่ก็บวชคือนางโคตมีเป็นตระกูลภิกษุณีแต่นี้นางรูปนานทานเออเราจะอยู่อย่างไง กบผลเอกสุก็เลยออกจากเวียงวันวังไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับนางพิกษุณิแต่ยังไม่บวชนะทเานพอไปอยู่ต่อมาแล้วเกิดแม่ก็ให้บวชบวชเป็นพิกศุลินางก็เลยบวชแต่นางนไม่อยากจะบวชเพราะว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าท่านตำหนิร่างกายว่าร่างกายเป็นของไม่เสร็จสวยงดงาม เ, เต็มไปด้วยของอสุภะปฏิกรล ของปฏิกูลไหลออกจากตักจากวาวทั้ง9้าคือขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ลิ้นขี้ปากขี้ฟันขี้ไข่อุดจละปัะศรวะล้วนแล้วแต่ของปฏิกูลไหลออกจากขวานร่างกายนี่เป็นของไม่เสร็จสวยงดงามแต่นางโรปะนันธาที่เป็นพระน้องของพระพุทธเจ้า กันโอร่างกายเนี่ยเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่พระเจ้าพี่ของเราเนี่ยตําหน่งร่างกายเรารับไม่ได้เรารับไม่ได้ที่พระเจ้าพี่ตำาหน่ร่างกายร่างกายในเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่ทำไมพระเจ้าพี่จะตำาหนิดร่างกายเป็นของอสุภะปฏิโกร์เราไม่อยากจะฟังเลยในทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่อยากจะฟังเพราะร่างกายเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่ตามไม่จริงนางรูปะนันทานี่ย เป็นคนสิทธสวยมากในครั้งนั้นนางอยู่อยู่ตามลําพังในห้องสิบสองศอกห้องอยู่ในสิบสองศอกไม่ต้องจุกเทียนแสงสว่างออกจากร่างกายของนางนางจะหยิบเอาอันไหนก็ได้ในห้องเพราะเหตุใดเพราะนางมีรัศมีในไทยก็ว่ามีแสงไฟมีแสงเรือเรือออกจากร่างกายของนางเพราะนั้นนางจึงหลงร่างกายว่าเป็นของของตนเป็นของเรา เป็นของเสร็จสวยงดงามหลงในร่างกายหลงในโรคปูดง่ายแต่างงาแตทีนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะปฏิกรูดมันสวนทางกันกันกบแนวความคิดของนางรูปนันทาจากนั้นนางรูปนันทาก็ไม่อยากจะได้ยินแต่วันหนึ่งเมื่อนางเข้าไปบวชเป็นภิกษุณีอยู่กับพระผาผานดาของของนางเองคือนองโคตมี ตอนน้นางทิสุนีทั้งหลายที่เขาไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ากลับมาก็ บ, บรรยายให้ฟังโอ้พระพุทธเจ้าเทเสถั ย, ยระจับใจจริงๆนานับถือหน้าเลื่อมใสที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาว่าการให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทำไมพระพุทธเจ้าจึงสรรหาคำพูดได้เหมาะเจาะจริงๆถูพกพระพุทธเจ้าตรัสคำไหนเป็นคำนั้นจริงๆถูกจริงๆ อทีนี้นางคนทั้งหลายก็มาบรรยายให้นางรูปะนันธาฟังนางรูปะนันธาอดล่นคนไม่ได้ถึง เ, เราน่าจะไปฟังดูเออยังไงก็ให้ไปฟังฟังรูซสิถึงยังไงพระพุทธเจ้าตําหน่อยังไง เ, เราก็จะได้รู้เออขั้นคงจะไม่ตําหน่งทุกวี่ทุกวันก็มั้งนางก็ไปแอบแอบด่อมด้อมไปนางพิกชุนีทั้งหลายแต่วันนั้นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่านางรูปะนันธาจะเข้ามา ฟังธรรมเทศนาในวันนี้คือพระองค์มียานรัศนะคือชาดเนี่ยนะเอยานรัชนะใครเวลาอย่างพุทธบริษัทมานั่งอยู่ในศาลาแห่งนี้พุธองค์ขึ้นนั่งบนอาชนะรัตกวาดยานรัศนะกวาดสายตาดูใครวันนี้จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลใครจะปลามาท่านบ้าง่าใครจะได้สำเร็จระดับระดับไหนเป็นพระโสดาบันหรือเป็นผู้ยึดพระไตราสนารนคม หรือว่าผู้ที่จะได้สําเร็จมีไหมในพุทธบริษัทที่ฟังธรรมเทศนาในวันนี้เพระพรธองค์ท่านกว่าสายตากวาดญาณทัศนะมองดูพุทธบริษัทซะก่อนแต่วันนั้นท่านมองเห็นนางรูปนันธาเข้ามาในค่ายคือพยานเข้ามาในญาณทัศนะของพระโอษ น, นางพอเห็นนางเออวันนี้นางรูปนันธาจะเข้ามาฟังธรรมเทศนาเราจะแสดงธรรมบทไหนหนอ ให้นางเข้าใจและเป็นที่สบายใจของเขาในวันนี้พุทธองค์มองเห็นแล้วก็เมื่อนางเข้ามานางก็นั่งอยู่ไกลๆห่างๆใครท้าว่าพอได้ยินเสียงทันเองมองดูว่าพุทธองค์อยู่ในนั่งอยู่ในสถานะอย่างไรแต่วันนั้นพรุทะองค์เห็นว่านางรูปนันธาติดในโรคคือติดในความสวยงามเพราะพรุทธองค์ก็นิรมิตร หญิงสาวคนหนึ่งสวยงามมากนั่งอยู่ข้างๆเอ่ยยังนั่งอยู่ฝั่งข้างพระพุทธเจา้าแล้วก็พร้อมกับถืองานพัดคล้ายๆว่าถือตระปัดพัดพระพุทธเจา้าเอ่อยู่ข้างๆพระพุทธเจา้าหญิงคนนั้นสวยงามจริงๆพอนางรูปานันธามาเห็นหญิงคนนั้นละ่ะก็มองมองเห็นตนเอ ง, งเองเอ่แล้วก็มองไปหาไปดูหญิงคนนั้นอีกหญิงสาวคนนั้นอีก มองโอ้โหทำไมหญิงสาวคนนี้ทําไมสวยจริงๆถ้ามามองดูของตัวของเราเนีเหมือนกับลิงตัวหนึ่งแต่มองนั้นเหมือนกับเทวดาโอ้โหทําไมใครว่าพระพุทธเจ้าตาําหนิคนสวยงามติ๊ตําหนิร่างกายถ้าตําหนิร่างกายหญิงคนนั้นก็คงคงจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าไม่ได้อนเดชพระพุทธเจ้าให้อยู่ใกล้ๆถือถวายงานพัดเนี่ยโอ้โหทําไมสวยงามขนาดนี้หญิงคนนั้น่ คือนางรู้ปานันทาไม่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับอสุภะปฏิกูลท่านก็พิจเรื่องทานเรื่องศีลไปอย่างอื่นแต่นางรูปานันธามองแล้วมองอีกจ้องเลยไม่ได้เกี่ยวจวบตาไม่กระพริบเตนางพูดถวายงานพัดนะนะพอพัดพัดไปหญิงคนนั้นที้แรกอายุสิบห้าสิบหกปีเป็นหญิงสาววัยรุ่นสวยงามมาก ต่อมากับอายุยี่สิบปีต่อมากับยี่สิบไล่ไปเรื่อย2ี่สิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบไล่ไปจนถึงอายุเก้าสิบน่ยเออดูสิพวกเราอายุเก้าสิบจะเป็นยังไงช่นหน่ผมขาวอะไรวนี่อหนังเหี่ยวหลังค่อมแล้วก็ฟันหลุดออมองเห็นแล้วโอ้เป็นที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาลเลยเวลาจะพัด พระพุทธเจ้าถวายงานพัดพระพุทธเจ้าเขา ง, งกงกกันกันแล้วล้มลงซะก่อนจะลุกขึ้นมาจับพัดอีก เ, อเพราะอายุเก้าสิบปีแต่นางรูปานันทาก็เห็นนะโอโ้ร่างกายของคนเรานี่นะก่อนหน้านี้เสร็จสวยงดงามงามสวยจริงๆแต่บัดนี้เอร่างกายที่เสร็จสวยงดงามนั้นเป็นอย่างนี้จริงหนอเป็นอย่างนี้เองหนอ ใครๆก็ไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้ความชราคือความแก่นี้พ่อนางเห็นความแก่เท่านั้นล่ะก็จ้อนมาหาตัวเองถึงเออร่างกายของเราเนี่อีกสักวันหนึ่งก็ไม่แพ้หญิงสาวคนนั้นขนาดหญิงสาวคนนั้นยังสวยๆขนาดนั้นก็ยังให้เห็นความแก่ถึงขนาดนี้เราเนี่เป็นใครเราจะไม่แก่เหรอนี่แหละตอนนี้พอนางย้อนมาหาตัวเองเท่านั้นล่ะพราะพระเจ้า รู้ด้วยพระปีชา ร, รู้ระยะนรัตนะของพระ อ, องค์พระองค์ก็บอกว่ารูปะนันธาเนีะทีนี้นะแต่คนอื่นไม่ได้ยินนะคนอื่นไม่ได้ยินแต่นางรูปานันธาได้ยินเลยทีนี้รูปะนันธาร่างกายสังขารนี้เธอจะให้ความสําคัญเป็นอย่างอื่นเป็นของอจุภะปฏิกูลเต็มไปด้วยของปฏิกูลที่ไหลออกจากทวารจากทวารทั้งเก้าไม่เป็นอย่างเพราะฉะนั้นให้เธอ ให้พิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายที่จะตองแตกตายสลายลงไปสู่ดินน้ําลมไฟร่างกายนี่เป็นของอสุภะนะเป็นของเป็นธาตุสีนะดินน้ําลมไฟนะใจของเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของจิรังถาโพลนะธูปะนันถาให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้ใจของเรารู้เท่ารู้ทันปล่อยวางที่ใจใจของเธอจะถุดพ้นจากอาสวัคเกเรศ ถ้าเราเธอไม่มีขิเลตราคะโทสะโมหะจิตใจของเธอบริสุทธิ์ปลดพลนแล้วนั่นละ่ะแหมความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในจุดนั้นนี่วัดนิพพานนางประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นในตัวของเธอเองนางรูปะนันทาได้เห็นแนิจังทุกขังอนาัตตาเห็นอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักในขณะที่พระพุทธองค์แสดงธรรมจากนั้นนางก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ แต่คนอื่นไม่ได้ยินนะแต่พระุองค์เน้นให้นารูปะนันทานได้ยินแต่คนเดียวเพราะญาณทัศน์ของพระพุทธเจ้านี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ภาวนาทําจิตใจให้สงบให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปแล้วก็คือให้เห็นร่างกายสังขารว่าเป็นไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจอันนั้นคือจุดใหญ่ในจุดเรื่อง ความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ท, ที่พระพุทธเจ้าอบรมแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์ไม่ว่าท่านผู้ใดจะเห็นก่อนที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต้องเห็นอดิจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิ่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นจุดนี้แล้วท่านจะปล่อยวางที่ใจของท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ อย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษตเบื้องต้นว่าอเนจาวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างหลวงพ่อคูลเห็นไหมหลงปู่คูลของเรานะั้นไม่เที่ยงพวกเราจะเที่ยงได้อย่างไรพวกเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องทิ้งเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่เอาความตายแล้วเอาความหายจะนั่งมาขู่กันไม่ใช่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังพวกเราจะคิดหรือไม่คิดก็มันเป็นสิทธิ์ของพวกเราจะต้องไม่คิดหรือคิด หลวงพ่อที่พูดให้ฟังคือแสดงให้ฟังว่าร่างกายเนี่ยอันจาวัตสังขาราจริงๆสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทาวะยธรรมิโนอุบัติขึ้นมาแล้วก็จะต้องเกิดดับอุปาเชตวานนรุตชันติเตสังบูปสโมสุขโขถ้าว่าเราปล่อยวางเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจะเป็นสุขอย่า ง, ย, างยิ่งคือความปล่อยวางในในตัวของเราเอง นี่แหละอันนี้ก็คือบทหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อไ ด, ด้พูดว่าไคยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราอัปมาเดนะซัมปาเดท่าติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ที่นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะเหตุใดเพราะว่าร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งไม่รู้จะวันไหนต่อไปภายภาคหน้าข้างหน้านี่ไม่รู้จะวันไหน มันจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างหลวงปูพูลของพวกเราเพราะนั้นเมื่อถึงหลวงปูพูลของพวกเราแล้วเราเร่างกายแตกแล้วเราจะไปที่ไหนใจของเราจะไปที่ไหนถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราตั้งอยู่ในความประมาดแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิใดพ่อไหร่พ่อเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านที่ได้บอกกล่าว วันนี้ได้กล่าวถึงสังเว ท, ทนิยกถาคือกล่าวความถึงความสงบสังเวทใจให้พวกเราน้อมสำนึกล้ำลึกถึงอันนี้จังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตวนรัตของเราร่างกายสังขารทั้งหลายทั้งมวลไม่ใช่ตัว ต, วตวนของเราเพรา ะ, ะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพษีรัตนนัไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุภาพของหลวงพ่อคูณที่ได้บําเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นระยะยาวนานอขอให้มาคุ้มครองรักษาพวกเราท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเธิด